แม้ปรนิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณเป็นต้นดังนี้ปัญญาวันทังตทาวาทิ้งสิเลสุสุสมาหิตังเจโตสมัธามานุยุตังตังเววินยูประสังสเรวินยูชนย่อมสรเสริญผู้มีปัญญา พูดจริงตั้งมั่นดีแล้วในศีลมุ่งประกอบธรรมเครื่องสงบใจนั่นแหละเพราะเจริญเมตตาต่ออุบาสกอุาสิกาทุกท่านณนะบัดนี้อรรมาภาพจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระหันมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์คือธรรมเทสนาใหม่ธรรมสวรนามัยธรรมสวรนาม่คือบุญในการแสดงธรรมและบุญในการฟังธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันวินวสาขาบูชาก็จะอาศัยการแสดงธรรมครั้งนี้เป็นเครื่องบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราควรจ ะ, ะระลึกถึงและควรทำการบูชาอย่างยิ่งในวันวิสาขาบูชาเพราะวันนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแด่ชีวิตของพระบุมีพระภาคเจ้าคำว่าอัศจรรย์นั้นก็คือควรแก่การดีดยกนิ้วหรือว่าดีดนิ้วให้คาแปลว่าอย่างนั้นหรือว่าไม่มีโดยปกติ หรือว่าเป็นสิ่งที่น่าพิศวงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากคืออะไรคือการประสูตรของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเป็นของน่าอัศจรรย์ควรแก่การบูชาเพราะว่าการประสูตรของพระโพธิสัตว์เช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่เหมือนกับ การเกิดของคนทั้งหลายในโลกเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาเต็มเพราะฉะนั้นเมื่อประสูติจึงมีสิ่งน่าบูชาหลายอย่างท่านทั้งหลายก็ควรจะศึกษารายละเอียดเช่นการที่เมื่อประสูตก็มีพรมมารับแล้วก็เทวดามารองรับมีการเดิน ด้วยพระบาทเจ็ดเกและการกล่าววาจาว่าเราเป็นเลิศในโลกเราเป็นยอดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอย่างนี้เป็นต้นส่วนการตัดสรุก็เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ไม่ได้มีบ่อยนานๆจะมีเป็นของหายากจริงๆเป็นสิ่งที่ควรบูชาเพราะว่า การที่ปัญญาของพระโพธิสัตว์จะมาสมบูรณ์จะต้องสะสมบำเพ็ญบารมีมากมายและเป็นเรื่องยากที่ปัญญาจะเข้าไปรู้สัจจะความจริงของอุปาทานขันห้าว่าเป็นทุกข์หรือไปรู้ว่าตัณหาเป็นสมุทยัยตัณหานำขันห้ามาให้ เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นแจ้งซึ่งอริยสซึ่งพระนิพพานแล้วก็เป็นการยากที่จะได้ค้นพบมัคคือการประหารกิเลสด้วยอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์การทำลายกิเลสได้สิ้นเชิงและ การปฏิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่าบูชาเพราะเหตุไรเพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำพุทธกิจคือกิจของพุทธเจ้าแม้ในวาระที่ใกล้จะบริลพานได้ทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัทจนแม้แต่สุพัทธริธพาช ก, ก็ได้ฟังธรรมได้บวช จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเพราะนั้นการปริพาน์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่น่าบูชาแล้จะเป็นเหตุให้เราได้เกิดความสังเวชว่าแม้พระมาหาบุรุษ <c oughs> เช่นพระองค์ก็ยังต้องพบกับความจริงคือความไม่เที่ยงพบกับความนิพพานแต่ว่าพระองค์ทรงสิ้นทุกข์แล้ว กือกิเลสได้นิพพานไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ชีวิตของเราทั้งหลายการเกิดก็ไม่ได้อัศจันอะไรปัญญาของพวกเราก็ไม่ได้อัศจันไม่สามารถจะทําลายกิเลสอะไรได้บางครั้งกล่าวได้ว่าไม่มีปัญญาด้วยซ้ําเพราะเมื่อกิเลสมีโลภะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีปัญญาปัญญาเพียงแค่ให้เชื่อ เรื่องกรรมให้รู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมซึ่งเป็นปัญญาเบื้องต้นของความจริงเราก็ยังได้ยากต้องอาศัยการศึกษาฟังธรรมของพุทธามาสัพพุทธเจ้าโดยจริงจังจึงจะอาจได้และก็เชื่อได้เลยว่าการตายของเราเนี่ยซึ่งอาจจะมีในเร็วนี้นะจะไม่เป็นเรื่องอัศ จ, จรรย์อะไรจะไม่มีสิ่งซึ่งน่ากล่าวขวัญถึงเพราะว่าชีวิตของเราก็เป็นธาตุ ของตันหาตายไปก็คงจะตายกับตันหาแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ะระลึกถึงชีวิตอันน่าอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการประสูตรตัดสรุ ป, ปรอนิพพานก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ประมาทในการทําชีวิตของเราให้เข้าถึงคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แล้วบ้างในวันนี้จะได้บรรยาย ถึงเรื่องของพระมหากัสปะเถระซึ่งเป็นพระอริยสาวกที่ได้รับการยกย่องอย่างยิ่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปที่ได้รู้พระคุณของพระมหากรสปะแล้วที่จะไม่ยกย่องสรรเสริญนั้นเป็นไม่มีแต่ก่อนจะกล่าวถึงชีวประวัติของท่านก็จะขอ ย้อนเรื่องของพระวนะวานาวาสีติสสะซึ่งได้กล่าวไว้ในขราวที่แล้วว่าเป็นผู้ที่สมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้บวชเมื่อเด็กก็ยังปฏิบัติขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งคือไปอยู่ป่าจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอาสีติอาสีตินี่ก็80สบพระมหาสาวก อาสิติแปลว่าแปดสบได้ไปเยี่ยมถึงที่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวคาถาว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพานคามินีเอวเมตังอภิญญายะพิกุพุท ธ, ธัสสาวะโกสการังนาพินันไทยะวิเวกะมนุภรูหะเยแปลว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างหนึ่ง ข้อปฏิบัติอันยังสัตให้ถึงพระนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจา้าทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินสการะพึงตามเจริญวิเวกพระพุทธเจ้าตัดเนื้อความไว้อย่างนี้ขั้นท่านอธิบายว่าที่เรียกว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนี้เป็นคนละอย่างกับข้อปฏิบัติที่ทาให ถึงพระนิพพานคือเข้าไปอาศัยลาบก็คือปรารถนาได้ลาบคือปัจจัยสี่รวมทั้งสักการะการยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงในหมู่ชุมชนเป็นอย่างไรจริงอยู่ภิกษุผู้จะให้ลาบเกิดขึ้นก็ต้องทำอากุศลกรรมความกรรมชั่วนะให้เกิดขึ้นท่านบอกว่าควรทําอากุศลกรรมหน่อยหนึ่ง อยากจะได้ลาบต้องทําอาบุญศน์ทำยังไงมีการคดทางกายทางวาจาทางใจด้วยว่าในการใดพิกษุทําการคดคือโกงคือหลอกลวงบางอย่างในบรรดาการคดกายคดวาจาคดใจในการนั้นลาบย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อภิกษุย่อนมือลงตรงๆในถาด ข้าวปลายาดในถาที่มีข้าวปลายาิไม่ทำให้งอแล้วยกขึ้นมือก็เป็นแต่เพียงเปื้อนเท่านั้นแต่เมื่อย่อนลงแล้วทำให้มือนั้นงอแล้วยกขึ้นมือก็ย่อมช้อนก้อนข้าวปลายาดออกมาได้โดยแท้ลาบสักการะย่อมเกิดขึ้นในขาวทำการโคตกายเป็นต้นอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เข้าไปอาศัยลาบที่ไม่ชอบทำ คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องไม่มาโดยบริสุทธิ์การคดทางกายการคดทางวาจาการคดทางใจนี่เขาเรียกเป็นภาษาพระว่าเนสนาการแสวงหาโดยไม่ชอบ เ, อเช่นอย่างไรท่านบอกว่ามีอยู่ถึงย1สบเอ็อย่าง เช่นทางกายนี่ก็แกล้งทาเป็นผู้สำรวมเมื่อเวลาบินทบาทเนี่ยโดยปกติเนี่เราจะไม่เดินสำรวมอย่างนั้นแต่เมื่อเราต้องการได้ลาบได้สักการะเราก็แกล้งทาเป็นเดินให้มันเรียบร้อยสำรวมโดยเฉพาะในเวลาที่เห็นโยมแต่ไกลๆว่าเขาจะเตรียมใส่บาตรก็แกล้งทาเป็นเดินให้สารวมก้มหน้าเดินโดยเรียบร้อยอย่างนี้ ให้ใจเนี่ยมันเป็นเหตุอยากได้มันก็สั่งไปที่กายให้ทำกายก็อาศัยาธาตุลมเป็นหลักอย่างนี้นะคือทำกิยาอาการทางกายที่ไม่ตรงไม่ตรงก็คือมีโลภะเข้าไปเพราะอยากได้ท่านเปรียบเทียบว่ามือเนี่ยถ้าเอาจุ่มลงไปในข้าวเฉยๆมันหยิบไม่ติดต้องงอๆต้องงอนิ้วมือแล้วจะช้อนขึ้นมาได้แกล้งทา หรือนั่งเหมือนกันหรือยืนเหมือนกันนี่เราแกล้งทํากันเพื่อที่จะได้ลาบให้เขาชมว่าเรานี่มีอิริยาบถงามเรียบร้อยหรือว่าพูดใช้วาจาพูดก็ได้พูดประจบเขาก็ได้พูด เ, เรียบเคียงเขาก็ได้หรือทางกายอาจจะใช้ว่าให้ใบไม้นะให้ของแก่เขา น้อยเพื่อจะได้ของมากมีวิธีการถึงยี่สิบเอ็ดอย่างนะที่จะได้ลาบสักการะนี่เป็นข้อปฏิบัติที่อาศัยลาบที่ไม่ชอบทำมันก็ต้องทำให้เขาชอบใจอะไรเราไม่ทางกายก็ทางวาจาเพราะทางใจเนี่ยมันไม่รู้กันเมื่อเราพูดดีออกไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเราคงมี คุณธรรมสูงหรือเราทำกายอาการที่ให้มันน่าเลื่อบใสเขาก็เลื่อบใส่แล้วเขาก็ชอบใจเขาก็จะให้ลาบแก่เรานี่เป็นข้อปฏิบัติที่อาศัยลาบอาศัยจีวรบินทบาตอย่างเนี้ยที่ที่พระเจ้าไม่สรรเสริญนะมันไม่ได้อะไรเพราะว่าพระภิกษุถ้ามีศีลดีโดยบริสุทธิ์นะนะ มีศีลดีเนี่ยก็จะได้ลาบอยู่แล้วการประพฤติรมจ a j ย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยใครเขาก็ยกย่องสรรเสริญอยู่แล้วแต่อยากจะได้มากอยากจะได้พิเศษก็ต้องแรงทำเข้าไปอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำสำหรับพระภิกษุหรือถ้าหากว่า มีความรู้มากขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็จะต้องทำทุดดงถือทุดดงเพื่อจะได้ลาบให้เขาเชื่อเราว่าเราเนี่ยเป็นคนสันโดษมากน้อยพิเศษกว่าพระภิกษุอื่นคนก็จะเอาลาบมาให้อย่างนี้เป็นอาการคดทางกายเพราะว่าคาว่าทุดงนั้นหมายถึงการประพฤติเพื่อ กำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อจะให้เพิ่มพูนกิเลสแต่ว่าเราใช้อาศัยทุดงเพื่อให้โลภะความอยากได้ของเราสำเร็จผลคือได้ลาบสักการะทีนี้แต่ลาบที่เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้คือการถึงพร้อมด้วยอุปธิอันนี้หมายถึงว่ารูปร่างดีโดยสภาพ ร่างกายดีคือรูปสมบัติดีไม่พิกลพิการการทรงไว้ซึ่งจีวร น, นุ่งห่มเรียบร้อยความเป็นผ้าหูสูตรคือการศึกษาเล่าเรียนความมีบริวารการอยู่ป่าเราได้ราบอันนี้ชื่อว่าประกอบด้วยธรรมก็ภิกษุผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน พึงละการโคตกายโคตวาจาโคตใจเสียถ้าเราต้องการนิพพานเนี่ยอย่าไปหวังได้จีวรบิณฑบาตชื่อเสียงเลยมันไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ยังเก่งมันก็มีความสุขไปชีวิตเดียวแต่ชีวิตหน้าไม่แน่แล้วเพราะเราได้มาโดยไม่ชอบทำเพราะฉะนั้นจะต้องละเสียให้อากาศโคตรทางกายวาจาทางใจ ให้มันตรงอันภิกษุผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตให้ถึงพระ น, นิพพานถึงไม่ใช่คนตาบอดก็ทำเป็นเหมือนคนตาบอดไม่ใช่คนใบก็ให้เป็นเหมือนคนใบไม่ใช่คนหูหนวกก็ให้เป็นเหมือนคนหูหนวกจึงควรอันนี้เป็ น, ปนคาสอนที่น่าพิจารณาไม่ใช่คนตาบอดก็ทาเป็นเหมือนคนบอดนะ คือปกติเนี่ยเราก็จะต้องเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ตามันมีตาเปิดตาขึ้นมาก็ต้องเห็นแต่เห็นอย่างไรแล้วที่จะไม่ทำให้เกิดโลภะโทสะท่านบอกว่าต้องเห็นด้วยการสำรวมอินสีเหมือนกับคนตาบอดเขาไม่สามารถจะมีโลภะโทสะทางตาได้เพราะเขาไม่เห็นสีไม่เห็นภาพ หรือว่าไม่ใช่คนใบ้ก็ให้เป็นเหมือนคนใบ้คือพูดได้แต่ไม่พูดละไม่ใช่คนหูหัวกก็เป็นเหมือนคนหูนหนวกคือเสียงที่ได้ยินมาจะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงตําหนิก็เป็นเหมือนไม่ได้ยินคือได้ยินแล้วว่าจบจบกันไปไม่เกิดกิเลสให้เกิดขึ้นในการได้ยินเสียงนั้นแต่เมื่อประโยชน์ที่จะมาถึงชีพิตเกิดขึ้นแม้จะตายก็ต้องทํา ประโยชน์ในทีน่นี้ท่านหมายถึงขุนธรรมคือท้าศีลที่จะต้องรักษาก็ต้องรักษากันด้วยชีวิตสมาธิปัญญาที่จะต้องเจริญก็ต้องทำหรือแม้การฟังธรรมถ้าหากว่าจะต้องตายก็ต้องไปฟังเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตตายในขณะฟังธรรมก็ยังมีที่พึ่งอย่างนี้นะท่านอธิบายต่อไปว่าภิกษุชื่อว่าเป็นสาวก ที่เรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในข้อความที่สองนะข้อความที่สองว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกนั้นมีความหมายว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังนะหรือมีความหมายว่าฟังโอวาทและอนุสาสนีของท่านผู้ชื่อว่าพุทธพุทธะที่หมายถึงผู้ตัดสู้สังคตธรรมคือ สภาวะธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ทุกข์มีอุปทานขันธ์ห้าเนี่ยและอสังขตธรรมอสังขตธรรมนี่คือพระนิพพานทั้งหมดก็สาวกเนี่ยเป็นสาวกได้เพราะว่าฟังฟังแล้วเกิดยอมรับพระพุทธเจ้า ว, ว่ามีปัญญาเห็นความจริงคือคำสอนของท่า น, นให้ปัญญาแก่แกเรา เราเห็นจริงตามฟังอยู่บ่อยๆฟังอยู่เนืองๆแล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาหรือเกิดประโยชน์ในที่สุดแห่งการฟังถ้ายังไม่เกิดยังเป็นสาวกไม่ได้เพราะว่าฟังแล้วไม่รู้ว่าท่านแสดงว่าอะไรไม่เห็นจริงตามทีนี้เมื่อฟังอยู่บ่อยๆว่าทราบข้อปฏิบัติคือทราบเนื้อความว่าการปฏิบัติเพื่อยังลาภให้เกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่ง ข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเพลิดเพลินสักการะคือปัจจัยสีอันไม่ชอบธรรมแต่ไม่พึงห้ามสักการะอันชอบธรรมพึงเจริญวิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นคือต้องเกลียดส ก, การะที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมด้วยอาการคดทางกายทางวาจาทางใจคือผิดศีล เรารู้ว่าเราแกล้งทำอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วเราได้สักการะมาได้ชื่อเสียงมาได้ลาบมาต้องละไม่ทำเหมือนอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านท่านได้ทำนะคือท่านป่วยเป็นโรคโรคในท้องของท่านเนี่ยแล้วพระโคคอุณะถามว่ารับประทานอะไรจะหายก็บอกว่าทานด้วยข้าวมัทุปยาดมีน้ำน้อย เทวดาได้ยิ น, นก็เลยไปบอกไปสิงไปสิงชาวบ้านว่าพุงเนี่ยนะท่านพระโมคคัลลานะมาบิณฑบาตให้เอาข้าวมาตุไปญาติถวายเพื่อจะได้ไปเป็นยาแก่พระสาราีบุตรเมื่อพระโมคคัลลานะเข้ามาบิณฑบาตก็ได้จริงๆกลับไปให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรเอ๊ะทำไมได้มาแปลกใจก็ท่านเข้าฌาน ธรนะอภปนิยาก็รู้ได้และลึกได้รู้ได้ว่ามีมีเทวดาไปบอกก็บอกว่าจงไปเททิ้งซะเถอะแม้ไส้ของเราเนี่ยจะออกมากองข้างนอกเราก็จะไม่บริโภคอาหารที่ได้โดยไม่ชอบธรรมพระโมคคัลนะก็ไปเททิ้งนะอันนี้เป็นคุณธรรมสูงของพระอรหันต์แต่ว่าผู้ที่ประสงค์จะได้นิพพานก็จะต้องละสักการะปัจใจสี่ที่ไม่ชอบธรรม แต่ว่าไม่ห้ามสักการะที่ได้โดยชอบธรรมเช่นเรามีรูปร่างมีรูปสมบัติดีอยู่แล้วลุ่งห่มจีวรดีหรือว่าถือทุดงนะถือทุดงโดยสภาพเองแต่เขาให้เองอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าเป็นพระหูสูตรทรงจําคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วแสดงทำได้หรือมีบริวารบริวารเข้าออมาให้อย่างเนี้ไม่เป็นไรได้โดยชอบธรรมคือได้สักการะโดยชอบธรรมแล้วก็ให้ไปเจริญวิเวกสามอย่างวิเวกมีอะไรบ้าง หนกายวิเวกหมายความถึงมีกายโดดเดี่ยวคือไม่คลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะนี่เรียกว่ากายวิเวกวิเวกแปลว่าสังกัดนะนะสังกัดกายก็คือไปอยู่สักคนเดียวแต่ไปอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องการให้เขามาหานะอยู่คนเดียวจริงๆไม่ให้ใครเขารู้ไม่ใช่ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่วิเวกคนเดียวที่นู่นแล้วก็ท่านทั้งหลายช่วยไปหาด้วยนะ อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่ากายวิเวกนะมันต้องจริงใจเรามีอัธยาศัยจริงใจว่าเราอยากจะได้พระนิพพานจึงจะไปอยู่วิเวกเพราะเห็นว่าการคุกคีด้วยหมู่คณะมีโทษนะมีโทษจริงๆละ่ะคือมันทําให้กิเลสเกิดได้ราคะโทสะเนี่ยเกิดง่ายทีนี้ต่อไปอย่างที่สองเรียกว่าจิตตวิเวกอันนี้คือสมาบัติแปดคือไปทําฌาน ไปอยู่คนเดียวนะ่ะไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวแล้วก็คิดฟุ้งซ่านโกรธคนนูน้นรักคนนี้ไม่ใช่อยู่ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานไปทำให้ได้สมาบัตแ8ดฌาน8อย่างนะคือรูปฌานสี่และอรูปฌานอีกสี่อย่างนี้จึงเรียกว่าจิตตะวิเวกคือจิตน้ามันสงัดไปจากการหมักหมมด้วยกิเลสนิวร คือปกติเนี่ยถ้าเราไม่ไปฝึกจิตเนี่ยจิตมันจะหมักหมมสกปรกด้วยกิเลสมีโลภะหรือมีสั ก, กายยทิฐิเนี่ยเกิดอยู่ประจำเป็นเรื่องง่ายที่เราจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญกิเลสเนี่ยจเจริญความสกปรกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องไปทำกรรมฐานเช่นไปทำเมตตาอย่างนี้ทีนี้อย่างที่สามท่าเรียกว่าอุปธิวิเวก อุปธิวิเวกเนี่ยคือพระนิพพานเพราะว่าสงัดจากกิเลสสงัดจากขันคือมันไม่มีกิเลสไม่มีขันนิพพานเป็นอย่างนั้นสงัดจากกรรมสงัดจากกรรมคือทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันไม่มีนะแล้วก็สงัดจากกรรมคือสงัดจากสิ่งปรุงแต่งและทุกข์ทั้งปวงทัานเรียกว่าอุปธิวิเวกนะอุปธิมันเป็นชื่อของขัน นะขันที่มันมีทุกขเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มันสกรปรกเป็นชื่อของกรรมกรรมทั้งมวลอะทั้งมวลอะคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็ยังแบ่งออกเป็นกรรมดีธรรมดากรรมดีชั้นรูปฌานชั้นอรูปฌานคือสังกัดไปจากจิตตวิเวกโดยซ้ําพูดกันจริงๆแล้วอุปทิวิเวกแล้วก็สังกัดไปจากกรมนะคือโลภะทั้งปวงนี่เรียกว่าพานัานธิพาณปัะจันพันธิพาณเนี่ยเป็นวิเวกขั้นสูงสุด คืออุปทิวิเวกท่านบอกว่าอุปทิวิเวกเนี่ยบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารคือสังขารใ น, นสิ่งปรุงแต่งก็คือจิตนะแล้วก็เจตสิกเจสิกก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็รูปรูปนะคือร่างกายมันไม่มีในนิพพานหรือในอุปทิวิเวกสังหัดออกไปคือมันมันหมดไปสิ้นไป ท่านบอกว่าอุปธิวิเวกย่อมบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะมันมีความเกี่ยวข้องกันคือจิตมันเกิดขึ้นจิตมันเกิดขึ้นต้องมีการรู้อารมณ์หรือว่าเมื่อจิตเกิดเวทนาสัญญาสังขารก็ต้องเกิดมันจะมีการเกี่ยวข้องแต่ว่าพอถึงพันธิพาแล้วจะไม่มีเลยไม่มีไม่มีสังขารเกิดขึ้นอีกกายวิเวกจอมเป็นปัจจัยแห่งจิตแต่วิเวก คือเมื่อเราไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วเราจเจริญกรรมาฐานนี้นี่หมายถึงเรามีศีลบริสุทธิ์ ด, ดีมันจะเป็นเหตุให้ได้สมาบัตแปลให้ได้รูปฌานอรูปฌานจิตตวิเวกย่อมเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกเมื่อเรามีสมาบัตแปลนิวรณ์ไม่เกิดแล้วจิเลสไม่มาหมักผ ม, มแล้วก็จ ะ, จะเจริญปัญญาจเจริญปัญญาเป็นการอบรมจิตตวิเวกชั้นสูงคือ ปัญญาจะเข้าไปกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดจิตตวิเวกนั้นจะไปรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเกิดและดับอย่างไรอาจจะไปรู้ว่าสมาธิน่ะเป็นอย่างไรนะเวทนาเป็นอย่างไรจะไปรู้นะรูปเป็นยังไงปัญญาจะไปรู้แล้วเห็นความเกิดดับเห็นความทุกข์เบื่อหน่ายคลายกิเลสได้หมดตัดกิเลสได้หมด อันนี้จริงจะเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังคำภาษารีบุตรเถระที่กล่าวไว้ว่ากายวิเวกของผู้มีกายสงบแล้วยินดียิ่งแล้วในการออกบวชออกบวชนี่คือไม่คลุกคลีนะไม่คลุกคลีกับกาบ ม, มคุณหรือไม่คลุกคลีกับบุคคลที่จะเป็นเหตุให้เกิดกาบกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนั้นกายวิเวกของผู้มีกายสงบแล้ว จิตยินดียิ่งแล้วในการออกบวชคือพอใจในการบวชเราบวชได้ดีเนาะปลอดโปร่งเหลือเกินกายก็ปลอดโปร่งนะใจก็ปลอดโปรง่งมันไกลจากเรื่องเกี่ยวข้องทางกายกับผู้อื่นหรือวัตถุสิ่งของทางกายที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมันจะไกลมันยังไม่ต้องพัวพันอะไรกันจิ ต, ตวิเวก ข, ของผู้มีจิตบริสุทธิ์แล้วถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งคือ ของแพ้วเนี่ยก็สะอาดนั่นเองอะนะอย่างยิ่งเลยแต่ไม่ใช่หมาความยังหม ด, หมดกิเลสนะจะต้องจะเดินวิปัสสนาให้บริสุทธิ์คือทําลายกิเลสได้และอุปทิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปทิอันนี้คือผู้ไม่มีกิเลสแล้วคือหมายถึงพระ อ, อรหันต์คือพันนิพพานอุปทิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสถึงพันนิพพานท่านบอกว่าให้เจริญอุปทิขออภัยให้เจริญวิเวก พอกภูมวิเวกให้สำเร็จให้ได้จึงจะถึงพระนิพพานนี่เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ถ้าอยากจะได้พระนิพพานก็ต้องไปทางวิเวกถ้าอยากจะได้ลาบสักการะก็จะต้องไปทางคดกายคดวาจาคดใจซึ่ง อาการคดนั่นมันเกิดจากโลภะเ ป, เป็นเหตุมายาสาไถโอ้อวดหลอกลวงเนี่ยเราทําได้นะเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ลาบสักการะหรือกามาคุณ เ, เราทําได้ทั้งนั้นแหละแล้วเราก็จะไม่ได้พระนิพพานเพราะมันไปคนละทางทางนึงมันโลภอีกทางนึงมันมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมันทําลายกันคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยจะต้อง กำจัดโลภกรดลงได้ที่เอาเรื่องนี้มากล่าวเพราะว่าพระมหากัสปะเป็นผู้เจริญวิเวกมุ่งหน้าเพื่อพระนิพพานจริงๆชีว่าประวัติของท่า น, นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่ได้บวชก็ประพฤติพรหมจรรย์แม้แต่งงานก็ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์จริงๆไม่ใช่หลอกลวงหวังได้ชื่อเสียงเขามายกย่องเราจะได้เป็น ใหญ่เป็นโตอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นอัธยาศัยของท่านนะก็มีผู้รวบรวมเรื่องสอีติมหาสาวกที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะดสิบพระหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคุณบรรจบบรรนรุจิได้รับรางวัลเนี่ยจากธนาคมูนิธิธนาคาร กรุงเทพนะตัดสินออให้บทปรพันธ์เรื่องนี้ชนะเลิศซึ่งก็เป็นเรื่องราวของพระมหาสาวกแปดสิบรูปซึ่งหนึ่งในพระมหาสาวกนั้นคือพระมหากัสสปัคที่เป็นอัจฉริยะบุคคลคือบุคคลที่หาได้ยากควรแก่การปรบมือของเราว่าอย่างนั้นนะนะแต่แต่ภาษา